ความช่วยเหลือไม่อัน้นหลวงปู่คลาดท่านเป็นพระที่คนพังงาศรัทธานับถือมากคนพังงามากราบท่านกันมากท่านบอกว่าถ้ามีรู้สิษย์เป็นประธานห อ, อการค้าเข้ามากราบเรียนให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าในการทำงานและบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการสร้างอาคารให้กับผู้เดือดร้อน เมื่อเราได้ฟังดังนั้นจึงได้รวบรวมเงินกันณตรงนั้นถวายท่านทัน ท, ทีในนามลูกศิษย์หลวงตามหาบัวโดยยอดเงินโดยประมาณ1 8 0 0 0บาทถวายเป็นประเดิมเลยหลังจากนั้นก็เป็นภารักของลูกศิษย์อื่นๆมีกลุ่มน้องนงลักนั่งเครื่องบินไปถึงที่เดือดร้อนเอาเงินสดไปแจกใจ่ายให้ผู้เดือดร้อนถึงมือในนามของลูกศิษย์หลวงตามหาบัวมีหลายกลุ่มที่นั่งเครื่องไปแจกเงิน และได้เอาเงินไปร่วมกับคุณหมอพรทิพด้วยอิมบุญด้วยความเมตตาขององค์หลวงตามหาบัวด้วยบารมีของท่านจริงๆและด้วยจิตศรัทธาของพวกเราการได้ไปช่วยบรรเทาทุกข์ยากของผู้ประสบภัยนี้ เรารู้สึกเลยว่ามันอิ่มบุญแม้บางครั้งเราต้องไปแจกกันกลางแดดเปรียปร้ยงควรจะต้องร้อนต้องเหนื่อยแต่เราไม่ร้อนไม่เหนื่อยเราใจอิ่มในบุญในกุศลที่เราได้สร้างเราเอามาเป็นกาลังใจในการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลาบากกว่าเราเป็นความสุขที่อยู่ในหัวใจฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนรู้ว่าสุขทุกขอยู่ที่ใจของเราเมื่อเราเป็นผู้ให้เราได้สั่งสมทานบา ร, รมีไว้สุขก็เกิดอยู่ที่หัวใจเรานั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ